มันคุณจะต้องปรับจิตคุณคุณจะต้องใช้เหตุผลหรือว่าใช้ปัญญาปัญญายานเนี่ยที่คุณมีเนี่ยเอาเอาเข้ามาเอาเข้ามาถ้าจนแต้จริงๆเนี่ยคุณคิดเหตุผลสู้ไอ้กิเลสเก่าไม่ได้ยังหนีไม่พ้นเลยว่าบางทียังต้องเอาสมถะแบบเก็บกดเข้ามาใช้เลย ถ, ถ้าคุณหมดปัญญาใช้ใช้ปัญญาสู้เนี่ยนะคุณบางทียังเก็บกดจะเก็บกดอะ ต, ตอนนี้คือพูดง่ายๆว่าจิตคุณ คุณไม่สามารถจะปรุงผู้ช่วยมาได้ละมันเมื่อปรุงผู้ช่วยมาไม่ได้มันมีอยู่ทางเดียวคือยังไงก็หยุดมันไปก่อนอย่าให้มันอย่าให้มันโตกว่า น, นี้คือเอาสมถะเข้ามาใช้เลยเพราะว่าปัญญาเรามันยังไม่ไม่พอที่จะใช้สู้กับกิเลสตอนนั้นมันก็หยุดเลยวิธีหยุดก็คือไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยนะ ทั้งผลักไอกจิตที่เราว่าเราเกลียดเราเกลียดเนี่ยเราก็ไม่ต้องคิดอะไระ mm. บอกแล้วนะสั่งสั่งมือได้นะสั่งคําพูดได้ตอนนี้สั่งใจแบบไม่คิดอะไรเนี่ยสมมติมาแล้วเนี่ยหยิบมาแล้วหยิบมาแล้วเอาเข้าปากเคี้ยวกินจิตจริงๆเนี่ยมันจะไปคิดตามสัญญาเก่าว่ามันขมมันไม่อยากกินมันไม่น่ากินถูกไหม นี่คือสัญญาเก่าที่เรามีอยู่แต่ในขณะที่คุณปฏิบัติคราวนี้ต่อให้คุณใช้แบบส ม, มถะเข้ามาช่วยนะคือคุณก็ช่างหัวมันเลยอ่ะคือแบบว่าไม่สนใจมันจะลดอะไรช่างหัวมันเกียวเียวยเยวแล้วก็นนี่คือแบบส ม, มถะทัศกจิจแต่จริงๆแล้วคุณคุณบังคับมาได้ส่วนหนึ่งนะแต่สภาพนี้ยังเก็บกดอยู่นะมันมันไม่ใช่จีนบ้างรามันร่วมันไม่บ้าง จิตมันไม่ว่างแต่เราพยายามไงพยายามแบบว่าจะหยุดไม่ปรุงไม่ปรุงความคิดเพราะรู้ว่าตอนนี้ถ้าเราปรุงความคิดเนี่ยอิทธิพลเก่ามันมากกว่ามันจะขึ้นมาเล่นงานเราไอตัวที่เราไม่ชอบตัวที่เราเกลียดเนี่ยมันคุณสังเกตมถ้าคุณแบบว่ากินกินคุณตัดใจนะกินกินแล้วก็ปึ๊บกือลงไปนะก็ได้ผลไปเลยก็สามารถจะเคีียวแล้วก็กินลงไปในท้องได้ แต่ถ้าคุณแว บ, บเดียวคุณปล่อยให้จิตมันขึ้นมาแค่วูบเดียวนะแค่วูบเดียวเท่านั้นแหละวูบเดียวที่ว่าเราไม่ชอบอะโอ้โหบางคนี่อ้วกเลยนะลงไปได้นัอ้วกกลับออกมาได้เลยอ่ะจิต ท, ที่มันพลักนะ่ะเาะนันถึงถึงบอกว่าอันนี้บทเรียนมีเยอะเพราะอาตมาเนี่ยโอ้โหตอนยังไม่มาปฏิบัติธรรมผักอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะในพวกอาหารการกินเนี่ย ผักมากเลยกินยงกินยาเลยเนี่ยขนาดเป็นยานะยังผักเลยเคยเล่าให้พวกเราฟังยอย่างเช่นมะเขือแต่ก่อนเนี่ยนะมะเขือนี่ไม่กินเลยไม่ยอมกินเด็ดขาดกินแล้วจะอ้วกเพราะว่ามันผักไงกินแล้วมันผักให้กินเมื่อไหรแล้วเดี๋ยวเถอะเคียเคยเค้ยวเข้าไปกืนลงไปแล้วเดี๋ยวพักเดี๋ย ว, วเดี๋ยวอ้กมากเลยเพราะขนาดกืนลงไปได้นะมันยังมันยังจะดันออกมาอีกเลยจริงๆ หรือบางทีไปกินยาขมๆที่เราไม่อยากกินเลยเนี่ยถ้าไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นยาแล้วเราอยากจะหา ย, ยากโรคบ้างเนยนะยังไงให้ตายไงก็ไม่กินแต่แนี่โอ้โหมันมันจําเป็นต้องกินบางทีเลยต้องไปอาศัยยังผู้ช่ว ย, ยงไงอย่างที่บอกอาศัยผู้ช่วยถ้าเป็นสมัยก่อนอมาก็ใช้อะไรนะของเปรี้ยวๆมั่งไอเกี๊มบวยมั่งอะไรมั่งที่มันจะมาพอ พอเราเ อ, าเอาเอาเรากินไออะไรเปรียปร้ยวๆเข้าไปก่อนเคี้ยวๆเข้าไปให้มันเปี้ยวไปากให้มันอะไรปากก่อนเสร็จแล้วก็เวลาจะกินยานี่นะต้องกั้นหายใจอ่ะคือคือกินยาแบบยายาหม้อยาอะไรพวกนี้นะต้องกั้นหายใจเลยบางทีปิดจมูกนี่ปิดจริงๆนะปิดแล้วก็กรอกหลงไปเลยมันลงไปๆๆนั่นเราเพื่อที่จะแบบว่าไม่คิดแล้วไม่สนใจมัน่ะแต่ว่า ต, ต้องต้องอาศัยผู้ช่วย คือมันถึงจะพ อ, พอคลายใจลงไปได้เพราะว่าจิตที่เราสะสมไว้เนี่ยที่เราเกียดชังหรือเราไม่ชอบเนี่ยคุณไปสะสมไม่มากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทําให้คุณเนี่ยมันผลักมันต้านเนี่ยมากเท่านั้นอะไรเนี่ยคุณต่อให้ยามีประโยชน์ยังไงคุณจะใส่เข้าไปเนี่ยมันมันใส่ไม่ลงเลยมันไม่ยอมนะจิตมันมีพลังยิงๆอาจารย์ทุกท่บอกขนาดคุณกินลงไปแล้วเนี่ย จิตมันมีพลังดันออกมาจนได้คุณคิดดูเอแล้วกันทั้งๆที่ไม่น่าจะดันออกมาได้นะบางอย่างโอ้โหอยากจะล่วงคอออกมามันยังไม่ยอมจะออกเลยแต่นี่บางทีโอ้โหคุณคุณไม่อยากให้มันออกหรอกแต่มันดันออกมาเองวันอันเนี้ยฝากฝากแง่คิดประเด็นนี้ซึ่งเนี่ยพูดให้ฟังเนี่ยนะแค่คุณสามารถตรวจจับจิตคุณในแต่ละวันเรื่องอะไรก็แล้วแต่ คุณจับตัวดูดกับตัวผลักได้นั่นแล้วคุณเข้าใจสภาวะที่เมกี้เล่าให้ฟังแล้วคุณปรับปรับปรับกายกรรมวิจีกรรมมโนกันคุณถัดปรับปรับปรับให้ได้นะปรับไปเรื่อยๆปรับไปตลอดแต่ละเรื่องแต่ละอย่างคุณทําไปเรื่อยๆรับรองเลยมาบอกกูได้เลยคุณบรรลุทําได้คุณแค่แค่ทำสองข้อเนี้คุณทําให้ได้เหอะคุณทำไปเรื่อยๆอย่าอย่าไปยอมแพ้อย่าไปแบบว่า อะไรอะ่ะโอ้ยไม่ไหวหรอกอย่างงี้มันมันลำบากไปหรือว่าจับเราจับไม่เป็นเราจับจิตเราไม่เป็นคือถ้าคุณเริ่มแค่ตรงนี้คุณก็ไม่มีทางนะถ้าแค่ตรงนี้นะเพราะมันต้องทดลองเลยจริงๆต้องลงมือทําจริงๆแล้วก็ตรวจสอบสภาวะเราถ้าเป็นสมัยก่อนของอโศกเนี่ยเราทําพวกนี้กันเยอะนะเพราะว่าสมัยก่อนยจะมีการฝึกฝน มีการบันเพนตะบะเนี่ยมากการฝึกฝนการบันเพนตะบะเนี่ยที่จริงแล้วคือการตรวจจิตดูใจเราเนี่ยคุณดูดคุณผลักขนาดไหนแล้วเราก็มามาแก้มาล้างถ้าดูดเราก็ต้องลดมันลงมานะอย่าให้มันไปดูดสิ่งนั้นมากมันผลักสิ่งไหนก็ลดมันลงมาอย่าให้มันไปผลักสิ่งนั้นมากคุณจะลดลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดทั้งดูดทั้งผลักเนี่ยมัน มันน้อยลงจนกระทั่งมันหมดไปซึ่งถ้าถึงน้อยลงแล้วหมดไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละคุณก็นิพพานนั่นคือนิพพานจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะมันยังไม่ยอมมาพูดถึงทุกเรื่องจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่เอาอตาต ม, มาเคยถามพวกเราหลายคนถามบ่อยด้วยอันนี้ถามบ่อยอย่างเช่นเรื่องเนื้อสัตว์เนี่ยอาตมาถามบ่อยว่าใครใครพอที่จะเนี่ย กินมังสวิรัตมาปฏิบัติมาเนี่ยใครพอที่จะแน่ใจมั่นใจตัวเองเพราะอาตมาเชื่อว่าคุณกินมาคุณทดสอบตัวเองมาคุณผ่านมาเนี่ยยังไงคุณก็ต้องจับจิตคุณได้บ้างนะว่าเดี๋ยวเนี้คุณยังติดเนื้อสัตว์อยู่ขนาดไหนทุกวันเนี่ยถ้าคุณไปเจอเจอของที่คุณเคยอร่อยเนื้อสัตว์ที่คุณเคยชอบกินเนี่ยคุณว่าเดี๋ยวนี้คุณมีตัวดูดตัวผักกับเนื้อสัตว์นั้น เท่าไหร่เนี่ยมากจนถึงขั้นที่ใครเชื่อมั่นว่าชาติเนี่ยนะรับรองเลยว่าไม่ไปกินเด็ดขาดไม่ว่าสถานการณ์ไหนยกตัวอย่างเนี่ยเราจะพอเข้าใจใช่ไหมจะพอเข้าใจสภาวะซึ่งอันเนี้ยถ้าคุณเริ่มพอจะเข้าใจนี่แหละแา้วมาอยากจะบอกเลยถ้าคุณเข้าใจสภาวะนี้นะแล้วคุณรู้ว่าเออจริงๆด้วย มันทําได้จริงๆแล้วเรื่องนั้นเนี่ยพอมันลดลงไปได้แล้วคุณสบายแล้วทุกวันเนี่ยคุณจะยิ่งสัมผัสเห็นปิติสุขหรืออุเบกขาที่คุณได้จากสิ่งนั้นน่ยว่าโอ้โหมันสุขอย่างนี้นี่เองนะเพราะคุณสัมผัสอันนี้ได้เนี่แหละอันนี้เป็นอารมณ์ที่สําคัญอารมณ์แบบอุเบกขาเนี่ยถือว่าเป็นอารมณ์นิพพานก็ได้นะเพราะคุณ ส, มสัมผัสอารมณ์นี้ได้ จากเรื่องไหนก็ตามคุณเข้าถึงจริงๆแล้วคุณจับจิตคุณได้คุณสัมผัสอารมณ์ริพานแบบนี้ในจิตคุณได้จริงๆอัตมาบอกได้เลยเรื่องอื่นๆเหมือนกันถ้าคุณลดมันลงไปได้เรื่องดูดเรื่องผัดนี่นะคุณลดลงไปได้คุณจะได้ความสบายในเรื่องเนื้อสัตว์เหมือนกันทุกประการเลยกับเรื่องนี้แล้วคุณจะเบาเลยเดี๋ยวนี้คุณห้อยหาไหมล่ะคุณอะเลวอนไหม หรือว่านั่งๆอยู่แล้วก็ขาไก่ลอยมานะหรือว่าอะไรอ่ะส้มตำํำปูหรือว่าโอ้โหได้กลิ่นได้อะไรเนี่ยรับรองเลยต่อให้มันมันแว บ, บมาอย่างเงี้ยต่อให้มันแว บ, บมานะคุณไม่หวั่นไหวเลยไม่สะดุ้งสะเทือนเลยเพราะว่ามันแว บ, บมาได้นะคนเรามันเขาเรียกว่าสัญญาเก่ามันแว บ, บมาได้แต่มันทําร้ายอะไรคุณไม่ได้เลย คุณสบายมากเลยแต่ถ้ามันมันมันได้จริงแต่ว่ามันยังไม่ได้มากพอเนี่ยมีเหมือนกันบางคนเนี่ยโหพอมันแวบผ่านเข้ามาในจิตนี่คือน้ำลายเอือเอ้ออื้อมีเหมือนกันมีเหมือนกันเนี่ยแต่โอ้โหรับรองได้เลยว่าไม่กลับไปกินไม่ไปแอบเสพอะไรรับรองซึ่งถ้าคุณคุณทําอย่างนี้ได้เนี่ยอาจารมาถึงบอก นันล้คุณจับอารมณ์พวกที่ได้โอ้โหยิ่งรู้จักเอาไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นนะที่เรายังไม่ได้คุณเอาไปเปรียบเทียบแล้วคุณจะเริ่มเห็นว่าเออสมมุติเืตะกี้พูดเรื่องกินใช่ไหมอ่าวสมมุติว่าเรื่องเรื่อ ง, องการงานหรือเรื่องชีวิตประจําวันเราเนี่ยนะบางทีเรื่องปัดกวาดเช็ดถูบ้างช่องหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่คุณมีดูมีผัลอยู่ะในเรื่องนั้นอน่ะมีมัง้ง น, นะนะบางคนเนี่ย ไอ้ปัดกวาดเช็ดถูบ้านช่องนี้ก็ไม่ไม่ค่อยจะ ช, ชอบทำสักเท่าไหร่อะ่ะนะขี้เกียจพูดง่ายแต่ว่าแม้ให้มานั่งเจโตสมาืมชอบ <c oughs> ชอบนั่งแต่พอให้ไปทำอะไรพวกนี้ไม่เอาอะไม่สนใจไม่อยากจะทำแต่คุณจับได้แล้วคราวี่พอคุณจับได้เนี่ยแล้วคุณไปใช้ดูสินะลองฝืนมันสู้กับมันแล้วก็บังคับมันแล้วคุณจะเห็นกิเลสดิ้น การที่กิเลสมันดิ้นเนี่ยมันทําให้รู้ฐานของเราว่าตอนนี้เราอยู่ฐานไหนในการปฏิบัติธรรมซึ่งอันนี้สำคัญเหมือนกันคำว่าฐานเนี่ยก็คือฐานะนั่นเองคุณจะรู้ฐานะตัวเองว่าว่าคุณมีขีดความสามารถขนาดไหนมันทําให้การต่อสู้ของเราเนี่ยเราจะสู้ได้เหมาะกับฐานะจะไม่สู้เกินกำลังเพราะว่าถ้าคุณสู้เกินกาลังคุณแพ้แน่นอนคุณไม่มีชนะหรอก ถ้าคุณสู้เกินกําลังเนี่ยมันแพ้แน่เพราะคนนั้นเนี่ยเมื่อรู้ฐานของตัวเองว่าออฐานตัวเองขนาดนี้เวลาสู้เนี่ยมันเหมือนกับรู้เขารู้เราอย่างเงี้ยเวลาสู้คุณถึงจะชนะได้แล้วการที่เราสู้แล้วชนะเนี่ยมันก็มีปิติมีสุขมาเสริมให้เราอีกทําให้เราเนี่ยยิ่งมีกําลังในการสู้แต่ถ้าคุณปฏิบัติไปคุณถือศีลคุณตั้งตาบาไปตั้งไปแล้วศีลก็ขาดด้วยตบาก็ล้มเหลว คุณทําไปทําไปเดี๋ยวคุณก็หมดกระจิตกระใจละหน้ามันหดหูมันห่อเหียวอะทําไปแล้วก็ล้มทําไปแล้วก็เจงไม่อยากทําแต่ว่าเราทําไปแล้วเอออย่างน้อยก็ยังมีผลสําเร็จใช่ไหมโอ้โหทําไปแล้วมีปิติมีสุขมีอุเบกขาอย่างนี้มาแม่จิตมันสบายอย่างนี้เอามันเหมือนกับเราทําทํามาค้าขายอะไรพวกนี้คุณทํามาแล้วคุณรู้สึกว่ามีกําไรอ่ะ เอออย่างน้อยน้อยนะกำไรไม่มากก็ได้แต่มันมีกำไรคุณก็ยังมีไฟที่จะค้าขายอย่างนั้นต่อไปได้แต่ถ้าคุณทาไปแล้วขาดทุนไปเรื่อยขาดทุนไปเรื่อยขาดทุนไปเรื่อยไม่อยากทํามันหมดเรี่ยวแรงจะทําเพราะอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะที่ใครปฏิบัติ ท, ทาแล้วหนึ่งจะหายจากการเก็บกดนะเนี่ยจะหายจากการเก็บกดได้ สองจะมีกำลังในการปฏิบัติได้สืบเนื่องได้ยาวนานเพราะเราไม่สามารถสู้กิเลสชนะลวดเดียวเราไม่สามารถทำอย่างนั้นได้อยู่แล้วนะคนที่สู้กิเลสพวะแล้วเป็นพระอารหันต์เลยแล้วนะไม่มีหรอกหาไม่ได้พูะเจา้าท่านยืนยันด้วยนะบอกว่าใครเนี่ยแม้ เป็นผู้ทุชนมาเป็นกัลยาณชนมาปฏิบัติพวกฟังธรรม ท, ทีเดียวปั๊บบรรลุปเป็นพระอาหารหันต์ไม่มีท่านบอกว่าต้องเป็นขั้นตอนมาต้องลดละเป็นขั้นตอนที่จริงวันนี้ ย, ยังนึกๆอยู่เหมือนกันว่าว่าจะพูดกับพวกอบรมศีลแปดนั้นนะมันมีแว บ, บๆขึ้นมาในหัวสมองมาอยากจะพูดว่าจริงคุณมาอบรมศีลปดเนี่ยแต่ ม, มาอบรมแค่สามวันอะไรอย่างนี้นะ มันมันไม่ได้ศินแปดจริงหรอกนะมันยังไม่ใช่ศินแปดจริงหรอกเพียงแต่ว่าคุณมาทดสอบหรือว่าคุณมาลำลองอะ่แะแต่ามาอยากจะถามว่าบางทีเนี่ยคุณจะมาทำสินแปดได้จริงเนี่ยต่อเมื่อศินห้าคุณต้องผ่านมาให้ได้ถ้าศินห้าคุณผ่านมาได้จริงแล้วเนี่ยจริงนี่หมายถึงว่าคุณทํามาหรือจนกระทั่งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคุณทําได้มาเกินกว่า เจ็ห้าซ็นขึ้นมาคุณทํากายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยกรรมสามเนี่ยนะผ่านศินห้ามาได้เกินกว่าเจ็สิห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อไหร่นั่นแหละคุณถึงจะมาถือศินแปดได้ได้ถูกต้องได้ชัดเจนได้จริงถ้ามาอย่างนั้นมันยังไม่จริงหรอกเพราะว่าถ้าศีลห้าคุณยังไม่ได้ผ่านมาได้จริงเลยศีลแปดคุณทำเนะี่ยมันทํำไปแบบชั่ววบูบชั่วว่าเพอนั้นแหละ มันไม่ใ่ของจริงมันไม่มีหรอกสี่ห้ายังผ่านไม่ได้แล้วจะมาผ่านสี่แปดหมายถึงว่าเรียนบวกลบเลขอะ่ะยังเรียนไม่ได้เลยแล้วก็จะไปคูณฐานไม่มีทางมันมันไม่มีทางเลยนะไอ้ไอบ้บวกลเลขบวกลบง่ายๆ ย, ยังคุณยังคุณยังคิดไม่ออกเลยอะแล้วคุณจะไปทําคูณฐานหรือไปถอดแควรูทไปอะไรคุณยิ่งไม่มีทางเลยเพราะนี่มันเป็นสัจจะอยู่แล้ว เันความจริงก็คือนี่แหละต้องทําให้ได้แค่ศีลห้านี่ก็ต้องผ่านให้ศีลห้าจริงๆเพราะบางทีเนี่ยต่อให้คนอยู่วัดเนี่ยที่บอกว่าต้องถือศีลแปดก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้หมายความว่าได้จริงนะกายกรรมอาจจะได้ จ, จะมาบอกแล้วกายกรรมเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ยากเพราะว่ามันเข้าอยู่ในได้สายศีลเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วส่วนใหญ่กายกรรมคุณต้องได้เพราะถ้ากายกรรมคุณไม่ได้คุณต้อง คุณต้องออกไปเพราะฉะนั้นไอ้อันนี้มันบังคับโดยปริยายทําให้กายกรรมต้องทําได้มันถึงจะอยู่วัดได้แต่บางทีวัจีกรรมก็เริ่มบางทีเริ่มไม่แล้วเริ่มไม่ได้แล้วบางคนเนี่ยวจีกรรมจะเริ่มไม่ได้นะในในกรอบของศีลแปดนะจะเริ่มไม่ได้แล้วยิ่งมโนกรรมเนี่ยโหยิ่งยากหนักถึงบอกว่าบางคนเนี่ยถ้าตามกฎเกณฑ์ว่าเอามือเดียวอย่างเนี้ย กายกรรมก็เขาบังคับไว้อ่ะ <c oughs> คุณมาอยู่วัดคุณต้องกินมื้อเดียวนะเอะ่คนนั้นก็ต้องพยายามใช่ไหมก็ต้องพยายามทํามื้อเดียวให้ได้บางทีเวลาพูดก็ใครมาถามใครมาอะไรก็ก็อยู่วัดก็ต้องมื้อเดียวอ่ะ <c oughs> นะคุณก็พูดได้อ่ะมันไม่ยากอะไรแล้วเออก็มื้อเดียวดียังไงก็รู้นะอัปปาพาทังอัปปาตังกันพาสุขวิหารังอะไรอะไรรู้หมดจะพูดได้หมด นะ่ามีประโยชน์ยังไงเบากายเบาใจอาพาธไอเก็บป่วยน้อยนะมีความสุขอะไรมีกำลังพูดได้แต่จริงๆบางทีนะ่ะใจอะ่ะโอ้โหยิ่งยิงเห็นพวกเด็กๆแข็งพวกที่เขายังต้องกินสองมือเนี่ยมากินกินบางทีโอ้โหบอกเดินผ่านแถวนี้ไม่ได้ผ่านแล้วโอ้โหมันจะทนไม่ไหว ใจมันยังยังไม่ยอมเลยใจมันยังจะแบบว่าคือใจมันยังศีลห้าอยู่เลยไงใจมันมันไม่ยอมศีลแปดด้วยถึงบอกว่าถ้าถ้าเราฝึกจริงๆเนี่ยมันต้องมันต้องไล่ฐานขึ้นมาจริงๆเลยเพราะฉะนั้นใครเนี่ยถ้าจะถึงขั้นมาเป็นฐานอยู่วัดได้จริงๆแล้วนะคุณต้องไปฝึกศีลห้ามาให้ดีแล้วถึงจะขึ้นมาศีลแปดแล้วถ้าทําได้อย่างเงี้ยไม่ตกล่วงส่วนใหญ่จะไม่ตกล่วง ส่วนใหญ่พวกที่ตกล่วงไปจริงเนี่ยอาจามาถึงบอกว่ามันได้แค่กายกรรมวจีกรรมไงแล้วก็พารพารพารพาดผ่านมาได้เรื่อยผ่านมาได้เรื่อยแต่จิตจริงๆเนี่ยที่มันเก็บที่มันสั่ ง, ส, งสมไอ้ความที่ไม่ยอมไว้ในจิตมันยังเก็บอยู่เยอะเลยเพียงแต่ว่าคุ ณ, ค, ณ, มมณคุณกดขมมันเอาไว้เท่านั้นเองจนต่อให้ผ่านมาจนถึงเป็นสมณะก็เถอะถ้าคุณกดข่มเอาไว้มันก็ได้นะ เอสาสมมติเร็วที่สุดเนี่ยกว่าจะได้เป็นสมนาณะเนี่ยสองปีใช่ไหมอย่างงน้อยนะถ้ามาอยู่กับอสุคุณต้องปฏิบัติมาสองปีแต่สองปีเนี่ยก็บอกแล้วาอยู่กับบูคุมไม่ได้ต่ออะไรมันก็ไปได้อะแต่ในจิตลึกๆอะบางทีคุณยังไม่ได้ล้างออกเลยคุณยังแบบว่ากดข่มมันเอาไว้ไอความชอบความชังอะไรต่างๆคุณยังเก็บสะสมอยู่ในจิตเอาไว้ไม่ได้ล้างยิ่งพอครั้นี้คุณเป็นถึง ถึงไอรูปแบบเนี่ยภายนอกคุณเป็นได้ถึงสุดแล้วคือเป็นสมณะรูปแบบได้ได้เต็มแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะขึ้นไปกว่า น, นี้แล้วมีไม่มีชุดอะไรที่ยิ่งบ่าชุดสมณะคือมแล้วชุดอวกาศเลยมันไม่มีแล้วนั่นชุดสมณะนี่มันมันที่สุดของการปฏิบัติธรรมเราแล้ ว, ลวเพรา ะ, ะพอรูปแบบภายนอกคุณคุณคุณอะไรเขาเรียกอะไรนะ พวกข้าราชการเนี่ยมันตันละคุณไม่มีอย่าง อ, างอื่นแล้วเนี่ยคราวนี้คุณหมดหมดที่จะให้ขึ้นไปอีกแล้วไอ้รูปแบบภายนอกอ่ะที่จะมาหล่อเลี้ยงหัวใจคุณมันไม่มีแล้วเนี่ยแล้วคราวนี้ไอ้จิตที่คุณสะสมไวล้ล่ะที่คุณกดกดเอาไว้เพราะว่าไอ้ที่เราขึ้นขึ้นมาได้เนี่ยบางทีเราก็อยากได้รูปแบบภายนอกขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยอยงเงี้ยจนคุณหยุดแล้วนี่เพราะฉะนั้นมันไม่มีปิติไม่มีอะไรให้คุณอีกแล้วนะไอ้รูปแบบภายนอก มันเหลือแต่เนื้อในนะข้อนี้มันเนื้อในข้เนี่ยที่คุณเก็บกดเอาไวอ้อ่ะมันไม่มีปิติมากบเอาไว้แล้วมันไม่มีรูปแบบอะไรอื่นมาลังไว้อีกได้แล้วเพราะฉนั้นโพล่มาละนาวละข้เนี้ยใครสะสมกดเก็บกดอะไรไว้เท่าไหร่จะเรื่องกามก็ตามเรื่องโทสะเรื่องอัตตามานะอะไรก็แล้วแต่และข้เนี้แหละมันเล่นงานคออุณตลุดหละเพราะไม่มีอะไรช่วยคุณแล้วนะ มันต้องตัวของตัวเองเท่านั้นเนี่ยถ้าถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้แล้วเราพยายามล้างไปเลยเลยล้างไปเลยเลยล้างไปเลยเลยโอ้คุณสบายมากเลยแล้วคราวนี้มันลดมันลดเพราะว่าเราล้างกิเลสเราไปได้จริงๆแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยว่าเดี๋ยวจะตกล่วงเดี๋ยวจะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องห่วงถ้าคุณล้างจริงรับรองได้อันนี้แต่ที่บางทีบอกเอาทําไมเป็นอย่างน้้าไไมตกรร่งงงะดถึจจจิิ ส่วนใหญ่ยังมันยังกดข่มมาไว้ในจิตมันถึงได้ประทุออกมาได้ในที่สุดนะเพราะฉนั้นวันนี้นะฝากแง่คิดอันนี้ไว้ถ้าใครอยากจะอยู่หมู่กลุ่มนี้ได้ตลอดหรือสามารถที่จะถือศีลอะไรก็แล้วแต่คุณจะศีลห้าก็ตามคุณศีลแปดคุณศีลสิบหรือจะเป็นนักบวชก็ตามคุณจะสามารถรักษาอันนั้นได้ปฏิบัติไปได้ยาวนานแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นไปได้เลื่อนฐานขึ้นไปได้เนี่ย คุณจะต้องทำอันนี้ให้ได้จริงๆให้ถึงจิตได้จริงๆถ้าถึงได้รับรองไม่มีถอยกลับถ้าทำได้ถึงจิตนะไม่มีถอยกลับยืนยันได้เลยอันนี้ที่ถอยกลับแสดงว่ามันไม่ได้ถึงจิตนะถึงต้องศึกขาลาเพศหรือว่าบางทีก็ต้องลดฐานะลงไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ตัวอย่างเยอะนะแต่ไม่ต้องไปพูดถึงนะนะนะอ่ะนะอวันนี้คงพอท่านีนะ